วันอุโบโสถเป็นวันที่สิบเก้ามกราพุทธศักราช2554ห้าเป็นวันมอนพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองพวกเราฟังปฏิโมกจบลงสักครู่นี้แต่อุโบสถวันนี้เป็นอุโบสถตอนเช้าผมมีธุระ องหลวงตามหาบัวป่วยอาพาธมาตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนมาถึงวันนี้ก็สองเดือน ก, อกว่าที่ท่านไม่ได้ลงมาฉันที่ศาลาผมก็ไปเฝ้าอาการอาพาธของหลวงตาเป็นส่วนมากแต่ช่วงนี้กลับมาเมื่อวันที่16กลับมาวันที่16 ผมเองก็มาพักฟื้นก็ว่าได้เพราะว่าดูดูเหมือนจะมีไข้หวัดมันยังไงมันขันเนื้อขันตัวจะอยู่ที่นั่นก็คงจะไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งองค์หลวงตาก็ที่หมอเขาดูดน้ำออกจากท้องออกจากปอดก็รู้สึกอาการของท่านดีขึ้นในในช่วงระยะหนึ่ง ผมเห็นว่าท่านอาการดีขึ้นช่วระยะหนึ่งผมเองก็เพียบพอสมควรพอไปเฝ้าป่วยผมมันเลยกลับมาพักวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถวันที่สิบเก้าแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าองค์หลวงตาจะเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือยืมเวลานาทีชั่วโมองอยู่แต่ทราบข่าวว่าองค์หลวงตา มีอาการไม่ดีขึ้นผมก็จะต้องรีดกลับเข้าไปช่วยกันดูแลองค์หลวงตาแต่ผมก็ไม่ใช่มดใช่หมอหรอกแต่ว่าเข้าไปเพื่อเหมือนกับพี่น้องนะเ ข, เข้าไปก็พี่ได้สองน้องได้หนึ่งปรึกษาปารรุกกันจะทำยังไงให้ดีที่สุดเพียงแค่นั้นแหลนี่นะวันนี้จึงได้ลงอุโบสถตอนเช้า เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเดินทางแต่ไม่มีอะไรตนเย็นก็คงจฉมไหวพระสวดมนต์ตามปกติแต่มีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างกลางวันนี้ก็จะต้องได้เข้าไปช่วยกันพี่น้องพระที่มีระดับพรรษาเขาไปช่วยกันคิดอันนี้คือรับภาระหน้าที่ดูแลพ่อ หลวงตาผมพูดแล้วพูนอีกว่าพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยท่านให้กําเนิดศีรษะจนถึงฝ่าเท้าร่างกายสุขส่วนได้มาจากพ่อแม่ส่วนหลวงตาเนี่ยท่านให้แนะนําสั่งสอนธรรมะให้แก่พวกเราให้พวกเรารู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วมากกว่านั้นจนถึงภาวนาทําจิตใจอย่างไร จึงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกละกิเลสย่างไงถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างไรจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนักวัดสอนพวกเราจนถึงพระนิพพานแต่พวกเราปฏิบัติได้อย่างทําคําสอนของท่านเพราะท่านผ่านมาแล้วท่านรู้มาแล้วท่านผ่านมาแล้ ว, ท, ลวท่านปฏิบัติได้แล้วท่านมาสอนพวกเรา ว่าท่านสอนถึงพระนิพพานแต่ว่าเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนและตีนี้พวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตายอย่างไรปฏิบัติบูบชาก็ทําตนให้เป็นคนดีให้เป็นพระที่ดีปฏิบัติตามแนวแถวหลักพระธรรมวินยัยให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยอันนี้ปฏิบัติบูบชาจากนั้นก็ปฏิบัติจนถึง จนถึงที่สุดตามแนวแถวที่ท่านแนะนำสั่งสอนเพื่อความผลทุกข์อย่างที่ท่านได้บอกกล่าวนี่แหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุพการีพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตายอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดช่วยกันคิดลูกหลายคนแต่ว่าลุหลายคนจะให้ มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันเหรอผมว่าในแนวความคิดของผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็คงจะมีความแตแกแยกสมัคคีแต่โดยมากก็คือเจอตนาดีด้วยกันทั้งนั้นแต่เรามาวิเคราะห์ดูในอดีตคือพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นอยู่ด้วยประวัติศาสตร์นประวัติศาสตร์ก็คือนึกย้อนหลังว่า สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานพระพุทธองค์บอกสั่งพระอานุ์ว่าอานุ์เมื่อเราปรินิพานผ่านไปแล้วเออให้พวกท่านทั้งหลายถอดถอนสิขาบทเล็กน้อยในพระพินัยที่กฎระเบียบที่เราได้บัญญัติไว้นั้นที่เป็นอาบัตหยุ่มยิมอาบัตเล็กน้อยอาบัตที่ พวกท่านทั้งหลายเห็นว่าควรจะถอดถอนออกได้ให้ถอดถอนนะถอดถอนออกถอดถอนวินัยของเราอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสั่งพระอานุ์แต่ก็สั่งหลายข้ออย่างว่าลงพมพันธ์ของให้พระฉันนาปฏิบัติตนอย่างไรต่อสตรีเพศอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสั่งแต่นี่นอันข้อสั่งคําหนึ่งว่าให้ถอดถอนอาบัติเล็กน้อยที่จุ๋มยิมให้ถอดถอนได้ อันนี้ก็คือพระวิ น, นัยตอนนี้พร้อมเมื่อพระพุทธองค์ประลินิพานแล้วพระมหาการ ป, ปะเทระก็ได้นิมนต์พระอรหันต์ห้าร้อยรูปมาไปชุมกันเพื่อทำสังฆายนาที่ถ้ำสัตบัรนะคูหาในกรุงราช จ, จะคือสมัยนั้นตอนนี้พอเมื่อพระอหันต์พร้อมกันแล้วพระมหากา ป, ปะก็ถามว่าพระพุทธเจ้าได้สั่งเสีย อะไรไว้บ้างที่ก่อนที่จะปรินิพานท่านพระอนุพระอนุอนที่เป็นพุทธอุปถาเรียนพระมหากระจบปะบอว่าพระพุทธองค์ได้สักงเสียอย่างนี้ให้ลงผมมาทันต่อพระช น, นะปฏิบัติต่อสตรีเพศอย่างไรแล้วก็ให้ถอดถอนอาบัติเล็กน้อยถ้าว่าสงห็นสมควรแล้วก็จะถอดถอนก็ได้ ตอนนี้พระมาหากัตปาก็ถามว่าคำว่าอาบัตเล็กน้อยคำนี้น่ะพระพุทธองค์ได้บอกไว้ว่าชิขบทไหนกลุ่มไหนอาบัตทั้งหลายเนะี่ยเพราะว่าพระวินัยก็มีอยู่สองร้อยยี่สิบเจ็ดอันนี้คือสินพระปฏิโมกข์สินอภิสมาจการอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้วจะถอนตรงไหนจึงจะถูกต้อง ท่านอาโน์ได้กลับทูลถามพระพุทธเจ้าบ้างหรือเปล่าได้ถามไหมพระนนท์บอกโอ้ข้าพระองค์เมื่อพระองค์ป่งอายุสังขารแล้วก็ข้าพระองค์ก็ออทุกข์กระทมทางจิตใจคือท่านพระนนท์ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระหรัน์เลยท่านเป็นพระโสดาบันอยู่ท่านก็นมีความทุกข์ในใจก็ไม่ไกราบทูลถามว่าชิกคา บ, บทเล็กน้อยนะั้นคืออะไรข้าพระองค์ไม่ได้ถาม ท่านพระมาหากัรสปาพระมาหากัรสปาก็ตำหนิสงฆ์ก็ตำหนิน่าจะถามจุดนี้เป็นจุดที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากผลี่สุดก็เลยพระอา น, อนุ์กออ็ยอมรับแต่ใ น, นพระมาหากัรสปาก็บอกเอา้าจากนั้นสงฆ์ทั้งหลายหลงมาตีกันสิว่าเราจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยนั่นที่พระพุทธเจ้าให้ถอนนั่นใครมีความเห็นอย่างไรบ้างแต่ใ้เรามาวิเคราะห์ดูเถนีย คือในพระพระอาหารหันต์ทั้งห้าร้อยรูปนั่นนะบางท่านก็มาจากกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินตระกูลของกษัตริย์พระอาหารหันต์บางกลุ่มก็มาจากพราหมณ์บางกลุ่มก็มาจากพวกธรรมาค้าขายบางกลุ่มก็มาจากกรรมกรพวกชาวไร่ชาวนาเกษตรธรรมาหาเลี้ยงชีพมีครบอยู่ในนั้นพระอรหันต์ห้าร้อยองค์ห้าร้อยรูปเพราะนั้นเวลาออก มติแล้วออกแนวความคิดนะีกษัตริย์ก็ต้องออกแนวความคิดแอบแบบหนึ่งเพราะท่านมีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของท่านอยู่ในแวดวงของกษัตริย์ต้องมีแนวความคิดอันหนึ่งแต่พวกพราหมณ์ต้องมีความคิดแนวหนึ่งพวกข้าราชการก็มีแนวความคิดกันหนึ่งพวกทหารตำรวจแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่แต่ละเหล่าพ่อค้าประชาชนจนถึงรัชฎรผู้อยู่รากชยา เข้ามาบวชได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ในห้าร้อองค์นั้นก็จะต้องมีความคิดหลากหลายเพราะฉะนั้นความคิดหลากหลายท่านไม่เอกฉันพูหนึ่งไว้ควรจะเอานั้นออกคนหน่งควรจะเอานั้นออกพที่สุดก็เลยไม่เป็นเอกฉันทั้งที่ท่านเหล่านั้นเป็นพระอระหันต์ได้บรรลุธรรมอันเดียวกันคือจุดหมายปลายทางคืออันเดียวกันแต่ว่าแนวความคิดนั้นแตกต่างกันเนี่ยทำไมถึงแตกต่างกัน เพราะสิ่งแวดล้อมของแต่ละท่านไม่เหมือนกันไม่เสมอกันเรามาวิเคราะห์ดูจากนั้นท่านจึงกลุ่มหนึ่งก็หวัาหน้าจะอนยศออกหน่าจะเอาปฏิเทชะนยะออกเอาน่าจะเอาเสกียวัตรออกอภิสมัยจาร์ออกทั้งหมดพอที่โสกเลยไม่เอกชันพระมหากัะสปะก็เลยบอกว่าในเมื่อพวกเราไม่เห็นพร้องต้องการเป็นเอกชัน ผมเห็นว่าน่าจะเอาไว้ทั้งหมดคงไว้ตามเดิมไม่น่าจะถอดถอนออกเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วใช้มาแล้วเกิดประโยชน์แล้วแต่พวกเราถอนออกอาจจะไม่สมบเสมออาจจะเป็นล้มลุ่มรอนรอนอาจจะไม่ถูกต้องผมคิดว่าน่าจะเอาไว้คงเดิมไม่ถอนไปเลยเอาไว้คงเดิมทั้งหมดดีไหมลงบัญติสงส์ก็เห็นด้วยบอกเอาไว้เดคงเดิม ไม่ให้ถอดถอนดังนั้นก็เลยไม่ได้ถอดถอนในอบัติเล็กน้อยหรืออาบัติยุ่มยิ้มที่ว่านเ น, นี่แหละอันนี้ก็คือพระวิญัยของพระพุทธเจ้าถึงท่านเหล่านั้นท่านจะเป็นพระอรหันต์แต่ว่าความคิดหรือพสิ่งแวดล้อมของท่านน่ะแตกตกต่างกันแนวความคิดก็เลยมันต่างกันเพราะนั้นจะให้เสมอกันไม่ได้เนี่แหละ อันนี้ก็คือส่วนน่งแต่ถึงยังไงหนักอริยมรรสติปัฏฐานอริยสัจในจิตใจของท่านนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเสมอภาคกันทั้งหมดการที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกิเลสในจิตในใจของพระองค์เหล่านั้นหลุดพ้นออกจากกิเลสทั้งหมดเสมอการแต่ในความคิดภายนอกในนาจิตตงนางนานาทัศน์นี่แตกต่างกันนี่แหละ ถุกนั้นสมัยนั้นลวนแล้วจะเป็นพระหรหัรก็ยังไม่มีแนวความคิดเป็นเอ ก, กฉันนพูดง่ายๆนะแตตอนนี้ไปสุดท้ายไปในโมกสวัสด์